ยืนเดินนั่งนอนสบายสบายสบายสบายไม่เห็นไล่เลยยืนเดินก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำไม่เห็นไล่เลย काउनो <laughs> प ตัมต้องอยู่กัตนเป็นท่านที่เนดไม่ไปสั่งตัวการันตตาลุกตั้งเวลาปิสังตีตาลุกเ็นบุัทตันตีตาลุกกเป็นมันตีตาลุกจกท่านเหลานี้กับชีวิท คือท่านใช่ชาบูรุษคอมอาจมีทนีีความีเป็นตัวอว่างบูรคือเป็นชาบูรุษยงน่ราถ่านคับราคาราคาง่แบบใ้เชื่อง่าเป็นประโยชน์ปิดขึ้ไหมไปานใบดึ้ไหมคไนี่ซ้ำคือกายคือใ อยู่ในกลุ่มใดเป็นกระดิบเดี่ยวใช่เป็นเกินกระดับมือแขงขาโซ่พนุถ้ามืหงายักษเรียบๆมือจับหัวเาะีจัเป็นอจัท่ามือจับขที่วางอยู่ตรน้าดีตา อย่างตัวเรื่องยิ่งให้เงินส่งกูยิ่งยิ่งยำเงินสั่เงิ่งจัดการได้คนทำยังไ้จงเวลาดม่เหนอยไม่ต้องคิดไปอ่านลจ้าเ่อยแ่เองไม่ต้เหน่อจะคุยจะเล่ อิตระเบล่ะเดี๋ยน้นเป็ครับมือเป็นภาษานยิ้มใส่ยังไงเด้อนึกยิ้มใส่ห้องเตียงใส่ไม่ได้ใส่ไม่ไดละไี่ต้คิดเหรอั้หาจรงจริงเะลมกลมเสือเซับเทนเ็แนยอ ก็ดีมก็เสียใถึงแก่เอวแต่ตอนน้แก่เอได้ลุดเท้ไปหน้าแหละคืองนเนี่ยอคั่ดีคือคนยรับประโยชน์คอรับปิสัมนาเป็นคนหนุ่มรับมพันไม่เตียเออยากเนเตี้ยเอจกคนอ้วนัดเอวถึงเจอง พ่อเลยครับต้องคิดก้อนฉาบไปด้วยอะไรนะต้องอู้อนฉาบไปด้วยต้นุนให้ต้องครับสาครับใจหนุน่างถูก้งามข้างนนาุณจจ่ายงแสนใหญ่คือพี่เจนน่ะฮะดูด้านข้างายข้งใจขง สีมาเป็นแก่เป็นใสเป็นคือเป็นขางใบเพื่อาศัยส่งคือสลัดท่ามสินแปลงยืนเปนเล่นพันใบเสมอเพื่อเาดลัดเท่าใัว์ในหมู่อาศัยเพป็นในบ่งให้เก็รยะท่านั้นก่งังเนจงจหือห้องส ขณะนั่นั่งทเป็นแบนเป็นเรื่องท่าเป็นสู่เป็นเกี่ยวรูดออไปเ็นหน่อยเป็นอ่างตนขึ้นสายราคาสูงสุด่ผมถ้าแม่เหยียบปั่นมบรัทเปเามันจะมีเป็นไรเป็นไปเปนไปยังไมันเ็นวันที่ดีเยมันีป็นนี่เสีย กี่เนี่ยที่ด้นนาั้งเนื้อแขวทังตึัแงดที่เราต้องดัดมันงย่างีถึงเช่นไปทางไหนมันปงมันซื้อนี่ไปมาถึงเช่นไหนแบบเชื่อมติดต่อ ไา <c oughs> สนาเป็นสิ่งยากมันคือดีได้แต่อาศัยคามสาดอาศัยการรับแสงนะคนดีมันไป คคที่ใหมากเสียงปแปง่าอนันไลตัวเองทั้นเท่านั้นเลยจากผู้ขา่อเงินผู้ส่อการต่างเนังหมันไลตัวเองามันหลผู้สื่อข้ ก็ที id, ่ปนแงใส่กำลังตักขินมันเป็นขินขาดขินมันเป็นขินใจมันขินอย่างนี้ขินก็ได้ใหญ่คนมันไม่เท่ากันนั่งเดี่ยวขนาดไรตันเดือดใส่ให้ยอดดักแบงแจ๋ไข่จี๋ใหญ่เงินไหลเงินซื้อแบนตันเพิ่งใส่หัวใจซื้อหนาตัน เงนจิไปด่งเสือเป็นอินเป็นเพ่มเป็นเทวดาองรักษาขาดเพี้ยงองัแปกนนวเ็นปเป็นาเป็นไดม่ัแงแใช้อันไหนมไหลเอวี่น้ามันไหลมาจาคู่จาเขร่ทนทนเหยไหไหลไป ไ้วตมดแจ้แจงขายกระถางน่เอะพลาดอันเลันปือเไม่็นมนุข้างานั่งมนุษย์เศษตุคนละแตานอันเลเป็นมนุษไม่รจัมีที่ถูกตั้ง ว่าติดใจรักแต่งอยากขครกาใจเตี้ยได้คิดใจแต่คิดใจสิงขวามคิดแหน่อยถึงเด็กขึ้นจ่ดีเป็นแนวน้มเล่วบ้านเด็่อานอ่นได้ไม่เคยชินก็ชิ แผ่อใจเพื่อนตามเรื่องนั่นใจร่้แต่ไหนก็พัดเผื่อไปใส่จิตใจข้างหน้าดีอย่าห่างสาดข้างหน้าดีอย่ามีความคุกนันจะง่ายเอาเขีเนืิอวตามหาแต่เพิ่งวางแต่เวลาเว้ยใส่ิดรับแต่แต่คว จังใจได้ผ่าศีลต้อ่างมั้งต้อเสีเครดีจังมันบ่อ่อบ่บ่อเยอะเลนนะคนบ่อป็นสปนฟนเปตัดนะบดเป็นกูดีซลาบียเป็นบั่นเป็นนี่ยบีเป็นเตอเป็นเกียงมั้สือเป็นอี่หายหักใหญ่นะตัดบากร่งมั้นี่คิดใจตองให้ใหัน เราอาจเอาท่านไปรัดแกวอาจเอาท่านไปรัดแกว์แกว์ไปตามเรื่องมันก็ทังน้อยเดียวกันมันหมเป็นสื่เป็นแกวเป็นยึดเปนดีให้ธรรมะจะเป็นแกร์รัดแกว์สายว่าใจใจท่จะเป็นอย่างรัดแกว์แกว์มีเนื้อนีคอนจิตคอนใจคอนแห่งใจ ให้เท้าใหอาเทําแม่าลัง <Triple> ท่าขอเาท่านทกเ้าออกแต่แคทามได้ับยังแคท่านเห็นยังงดยังงดงดขาดของานีไปห้เต่าไมัแต่แข้งกันยาันจิจเห็น ใจไม่หลุดเอแล่อยขินเห็นันคมันเนือยสีอยากจิงจริงเอใหญ่กุกไปหลุกกุกกุ๊กกินเนื้อติตายงั้ตวาแงหยื่อเตขม่ทำหลักแข็มแข้งแข็งากเหมนนี้เหยืทานไตยันเสรละทาสุขของเเต่า ถึงจัดอย่างการใหท่านจับไม่กรทันได้ไม่ใหท่านแต่ท่านได้ให้ท่านภายในให้ท่านรับถึกให้ท่านภายในให้ท่านที่เหลือจำนำให้ท่านที่ยึดือว่าท่านเพื่อนเสาล่าโมกตกไปแตกใสมันเป็นท่านภายในเพื่อนเสือหนึ่งท่านเ กระท่อมเลยอันนี้สงหลายดูบบาจารย์ฤทธาภูตใจคนเหันทียนหนึ่งนก็ยืนหันเห็นทียนเหรตัวเห็นตัวเหียงชีวิตจำฮะเลยตัเห็นเียป็นเจ้าสาวามกเหรมีการสงหลายท่าทางดั่งใจวันนี้ตะวนหรอดูด้วยันละไปไหนดูด้ ใจว่างใจให้ารเชื่อเพื่อนดีเพื่อแต่มีไม่หนักไม่ติดไม่ใจเลยละแต่ท่านอ่านไปเพื่อนเชื่อเพื่อนเชี่ยกให้ความย้นาเชื่เองต่อเหยียดหนคอับของหินลาแลมีควฝุ่นความสบายอะไรลึกถึงกามทําดีทั้งเสืนนี่ ท่านไมนั่นแบนั so ่ามันไปกม่ดเท่าไหร่ไม่เก็ไม่กทานมันไปสักนั่นคืออไม่ขางไม่คิดไม่ใสให้เไปเท่หก็เอาไปท่านไปไหมมันละใจทั้งตัว ดูท oh, okay. <tablet> oh, ่านซึ้งสีเสียวีเชัดเคราะหตกไปหงุดิออกไปทำอย่งท่านไทยมอันนี้สองไงอันนี้สงหลายเหมนท่านไเนาตอนนี้อันนี้สงเขาหายไปจ็ดแปดเจ็ดวุ้นัดวุ้นอ่างนั้กับวุยึดขายดเบี้ยนเท่า มีโอกาสเยอะากเพตอบแทนบุญคุณฮห้พุทธิมนุียบนนุนมีคุ้มุทธิมนุียบนนุญมีคุ้มมากกวเป็นอีกประเทศนึ่งเ <c oughs> นี่ยจะจัดพิธีฉันนี่นก็จะจัดบุบจค้คมคลองสันจับถนอุตตร์มจัดที่ดีอย่างไม้ออย่างรมันจะจัดแต่ของยังไงดิ ดูจับนาขุ่นแต่ข t างน n แกนแต่ขวงเีนหัเฮีนตาแต่ขวงไปหาแต่จ้าหาเด๋อเด๋อเด๋อด๋วางแต่กั้นดีต่ละใจใส่ให้ดีหน้าตาขึ้นั่นอ่างใเ่งนกคือตีนสัแ้เกิดไปเจาะเขื่อนไปเียดเป็นสับปเสียดเนี่ย เวลาไปเล่นกินเขาไม่ถิ่นม่หนาท้งเขาโตเอ็นกินเหรอยินหนีโตหนุ่กินเหรขาดไปหอกเขลยอิจเป่เบี้ยงันที่เะถูาเลถามย่งไ่านงเลาังหยุดสั่งฟังเลยอยู่โตเอ็นเขาินเขาเตรียมเด็กเอ็นนกินเอน่ะ ขาดเงีนทุกวันมันเอาไปสืไปขายทั้งหลายไปทั้งฐานพยานอะไรขอนี่ยนกางให้เอาไปหึเอาไปหลายยางเยอะาเห็นเด็กเอาจิอินทังกไปโดยท้าเดียวเอาใหเขาเขาเย็นกันนีแล้วก็ใส่หมใส่ก็ตั้ง เนอมการกยกันม้อ่่อยงนีแไเ่จะเกลดออกจากไทยไปไม่อยากให้จิ้มได้แต่พอมาเป็นดีแลวรับารนะนนแ่นอนไ่ต้องเ เหน่นไถ่เท่นแก่เ่นไปเอดาท่น็ลาพาดแลก็ไปใส่หมใส่นพอมงแนั่นที่เาเอาไปเอาไปสไปายิบงทังหลายแบบว่าอาไปแต่เขาสืเขิิเขาูเขยิใส่หยิบนกนอนกอ่กินได้เดาหน่เขาใาด้านแม่ให้ใ่หองแก่ให้สืได้จ่าดแลท่านขาหนกแข จะคองให้จะคลงหน้าตั้งจะคล้องหน้าเลยตั้งเอะไม่ควรมีท่าไม่ควรน่างดีเรามีคติผลให้ตั้งรัดจะคองน้าเลยอันนี้ยห่อยนาเอาตามผ่อนใ่ถึงหน้าข้งล่าเขาเรยบว่าถึงนกกระตือรืรนท่านยืนเห็นท่านยืน เราถึงอุนรบถึงเราเรกรสือนการกษาสิงและเงื่งำเงื่อนไขเงื่อนคิดกระดานถึงเยอะเหาอินทอร์เนีเป็นนทร สั <necessary. S 2> ่อะไรแล้วก็เดินไปนั่งมือขอใาเราดีนะบงทีเดินไปทำไมไม่มีนั่งมือถ้าโ่นนข้างจะแต่งเบาต่อสลากอะไรแล้วก็อ่าเข้มใจมีเก็บแต่เห็ดแล้วก็ยิ่งดีบางทีกินแต่แต่เห็ดยาต่อต่างต่อเตอร์ยังไ เสือม่จับจานจางเงี้ยดเหจนเสควงงีเสือเดือด้มเด้อใจเขคิดเข้่างคิดใจต้งไ่เหนียวของกาไม่คิดุนเง้ยควมดีแต่รงถึงการที่เรืาอาต่นทีคว้ดีก็ได้เปคนไม่ง่าหรอเถ้าจะเปลี่นจ คยังไงให้ท่าขมิบก็แก่หนา่เสือท่าเก่เสือเงียทางจานง่ายง่ายง่างหือทำเมอไหร่ือจิตใจนั่งคุนั่งท่าเสียเหียอันใดก่อนเสียเงียอยาได้มีเียง แม่ตายก็จายไปรเป็นเื้อไทยอินสัผได้ว่ดึงแความทุกความสบายจนสดท้าว่าน่อยๆจออกฝนหน่ห่อตนี่ตาหมูคาร์ลูส์เหลืงเงี้ยนี่จาล่าธรรมาติของดาก็น้ยดง จะเกิขึ้นกันในซาลาหลังนมีเสียดไหมในสีน้าลแล้วก็สีเดงไหมสั่งซาลาไหลขึนกนูกเสียงใดมใหม่ครับนเม่อเมืเมยหลังแล้วูกขึ้นแรใหม่แรงใหม่ก็ขึ้นคิดเย็นใจทจเป็นเ้ืเป็นสื่อนท่านเี่ยเล่าให้ตเกิดขน นังตาเทวดาเป็นเนื้อเพ่อเพ้ออินเปนนานั่นาม่าสั่งจ้องจับสลักนั่งคุยจิตตาไปสั่งันั่คนเนื้อั่งคืได้อาบเน้เชิงสดวสบายมีความสน่ยจิตมสุคุยจิตเนอความสิข น่องเสียพละความห่คาเเาดีาู้ิอัอันคีีความิจเื่อหาออ่่ันเสียละ่าเอไรบ้างีความิที่ดีอันไน่าแงตาตาจะเป็นเื่อ่ พอยปเจแมงมงใหอินกั้งตามแมไปใช้ก็จะเห็นช้างชีกระดาษมันจะเก็บบัรไดไปมีสถานที่ใหญ่มีเศ่วนทึงที่โซ่เศเปลี่ยนกันทุกสั่งทุก้นก็มตเศษสลันั่นใส่มีขต้นทุกเหลื่นเห่อนขึ้นแตงแมงชี้กระดาษหนึ่งช่วยเปท่านรยของเราอยู่ไหญ่นาจปเก็บยังไหนว่าเป็นตงไหนจันนาเก็ดนนเอ ใครอินก็เเจ้ผู้คเดาการดีตาดีตาหนาใบยิมตาหนาเห็นวต่างๆวุนดดานองอไ่าขีต่างๆกันเหต่างๆกัน เหตาสตร์ต่างๆเเป็นเห็นแต่พเป็นเห็นเ็แม่เน้อายจอดคงัไปเลยกลเป็นแผงาเหรม่ดแม่้าเพื่อนไปดูีใ่ลังนๆนไปเห็นาตร์ดีแม่นั่ไปเห็นของขีดความเป็นดีทุกสบายเศรษฐีเ อ้นาเห็ุที่เานนั่ทำแอันนี้เกิดเพราะอันนั้นอันนั้นเกิดเพราะอันนี้เห็ที่สร้างไว้้าข้ไหนมีร่กันอะไอยังนั่นก็ดียังนีแต่ที่บางแห่งต่อถึงบรรทุกที่ละอุคนควทีลอย่อาตวคนผคนเต้าดูเห็นดูง่ายห่างข้งลาง ตะเนหินแดงก้อนแบบนีเป็มที่ออนเล่มที่สุดายินเปนอะไรแบบนี้เนี่เวลานังหลับนั่คุยนังนั่งงนั่งเปรียบสบายแต่ักเปรียบสบายภสษาภาษาใต้จเหนื่อเหตุการณ์อ เกิดหินหนนั่นตัดแข็งเป็นหินันี้ยางนั่นเขยิ่งต้องร่งยางที่แกแน่จัดเลยนี่อันไหมันเป็นอันไหนใครคิดที่แแ่เดีเห็นหลักแล้วแกขายเฉเลยนะนี่จะล่าที่แกแอนตัดแข็งอันนี้หีบอันไหอันนึงเด้งยูนี่แ่ทามที่ไดนก็ยูนี่แต่ทามทังงแน่เอาหินนั่นเป็น บอกเสื่อมล้านต่างๆๆ i ้าเห็นไปต้องเสื่อมเสื่อมต่างย่างนั่นแต่ที่บางวลาต้อเห็นเราพแล้วก็ดีใจเลยนะเนี่ยอไปแบบอไปสวรรค์อยากไปชิงช้อิดอยไปอยู่ใจสาอยู่นอยากมีความสุขความสบายก็เป็นเลยเ นั่งกานนั่นัวนัังนั่นั่เที่วหาอยากหาขิงกันเพื่บาตรกิน้หน่อยกินปากกินข่าหนูกรลาวันไปเห็นเขาเห็นกล้องดียได้อยากใอินอให้กันอยากใส่ก็ต้งรักิงแต่รักษาขิง ไม่ให้จิ้ัดตให้ิรัดตาตายหักาได้รให้ือยวตไปหวันให้จิ้มแม่สนยังงแม่งง่ายแต่ยิีหักาทรักากบีอตาตายแน่กดแน่เห็นหลังตายง่อ่อนเพี้ย เงยหัวนะตาตายไปหนึ่งบางทีมันก็ได้กินได้แต่เนี้ยแต่เน้ยต่เนยแต่หัวแต่ที่วางเลยแต่ทตังโต้ักษณะสองหมื่้น่ล้าน่นตาหนึ่งเจ็ดสิบวลาสองตัวอยู่เม้่อร้ยหน่งร้อย้านถต่อินนางไม่ยาแน สิ่นนเกลีล่มแม่เตไม่ใจเอาจเอาจัเอแม่แต่มจากสวรตัดเเป็นตาตายเกียก่อมหา้นนั่จิน้าิตให้ิเห็นตามันเพื่อรางตาเตามันมนดักดักยาวดัอนเตัดเลยตน่องาไปตาตาคนบามันตายดีบ ใครอินกบเห็นนตางท่านตายเป็นตายแน่ข้าเองม่อใครอินจะเห็นแนหลักตายศีลหรืสายยิ่งก็ขี้ข้แร่วามหัวขนาดนี้ย่งก็ต้องข้าเองเมื่อได้บริษัทศีลนั่นศีลตายขนาดแน่เขื่อนศีลตกไปแม่ขันใจรักษาศีลสั่งเล่บอกเล่าแสน มีสภาพแขนขาไตทำอย่างนี้นะแต่ตายี่ม่อดูลอบกลอง่เลยม่เ็กรักาเป็นไตทั้งแม่งเลยตายแ่หากินไตายด้วยได้ม่นหลล้ตนง้เจของตัว้องหลตายยี่แ่ได้ทั้งตาย้ลา เป็นอย่างนี้จะเป็นคนะเป็นควินี่ตามสอนักวาณโรครักษาทีอน้สูงมากครักษาีอนี้ัสงากคนรักษารักษาามานัน นั่นก็ตายใช่ไหมที่ยึดความบริสุทธิ <SM C> ์เทวัท่ยึดความแขงเทวะเง้ยเปนกาย่างน้เปรับเปญาติเปหนแม่ป <S housing feito> ็นกาย่เงยยดเทวดาเป็นเส้นเข็มะรแบบม่คิดเยอะแบบแม่เทาเอนึงนเวีเลยมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกเป็นมนุษย์ประสั่งคุณงมค่ามอยู่รัก้าสีแห่งท่ายท่านเป็นก้นระาเน่าปาชนะอยากจะไปเกิดเลื่อหัวเป็นเทาวาดาเป็นเมื่อเทวดอีคนคิดก้นปู๋พอมาเกิดเป็นมนุษย์กนะเน่าลำบากเห็กรกาดกรอนอตัวดักนั่นก็โยกใจมา ตงงใจต่งาท่านบุญต่างคนั่งซ่อนดีเป็นอายุไข่ที่เท้าเช่แบบตายใสตายไปแาก็เกิเป็นเพื่อตาอีกที่เขาควรเหมือนไม่ให้มือจับหอมไมนให้มือจัดอกไมถ้ากังเจีก่นเด่นไม่เกิดเป็นแบบเป็นเเป็นแฉ่กนุปีหนอยคจะตายใ นม่ไปทำเลยเพราะูเพืข้าอยู่าหนั้นไม่คอะรา้ายะค่งคนผิดาแค่เปลี่ยเ่าวเกิดรเกีตายเท่านั้นน้องม่นี่คนแบบนั้องเนห่เหาน้มดแถวแถวนี่ย เน่ก็ะดาษมนุษย์มีควมสุขความสบายที่เปิดแต่ตัางแต่ความผิดใจมนสุขคอยอยู่ยาวน่นนั่นก็คออยู่ที่กตนก็ไม่ออกเป็นดาวมากนะนั่งทำใจว่าคำคุยกันา น, น า, ๆ น, น, าๆ น, นๆนี่เี่ยนผิดไปเรื่องผิดหตคต้งจนีอะแะเนยพอันเพื่อันเพิ่น มันเมื่อม er <Í. S 2> um ันเมามันซุกไน่คิดไม่ใส่มันบปคิดที่ร่างเยื่อควเมตตในเหยื่ออะไรมันปล่อยไม่ว่างเขื่อความซุกความพ่อใจในโลกคนใจว่ามันซุกมันเนามันลำบากเดดร้อนอายุแน่หม่มยไม่คืองยืนแน่นเพื่อการจะเข้ามานอนฟังเสกฟังท นอนข้าดเยเ่อจะเนือเหนื่เาหือหวหัวง้าน่กระทเข้มสร้างปวดขาก็ปวดเอวกปวดปอนางดูหนงรั้มบ้านลดขึ้นลรั้นมันจะเพื่อเพือยู่ได้แต่ก็เลยนอนบนยูบนดนี่หงหลงนอนดินนั่งน่าตาใสกัอนตายเน่าี้หัวหนมหัหเลอเชียความอใส่ความดีใจความเพิ่มบริบูรณการเวล่า เมตใจใจเพื่อนใจชอบใจยินมีไมนเป็นนิสัยแต่วันค่นขึ้นค่อนสบายแต่ถ้าไม่เยอะเกันใจนั้นซุกใจนั้นสบายยีเรามั้นรวยใจนันแน่นใจนั้บิกไม่คิดใจนันหมดกันหมดเราะเต่มเราเท่าไหรนจม่คิดระยะเราะที่ผ่านใจพอใจันซุก เนมันทกันแน่ตอนนันแราญเนี่ยรายได้ล่สั่นๆมันเก็ดขึนยังมันแน่มันแน่้าแหสันผมาเกลีวันไม่เอิบน่าลไ่ใจแต่คาจริงมันก็ม่ได้ไีละันดเอิน่าลไม่ใจข้าวบันไดที่จงไม่ใจขึ้สันบ่ได้ีบันืนขึ้นเถอเริม มันสีเงาสบาดร่ข้างทุกอบรมจะท่านให้นได้มันเห็นนเต็นมันหออกจากทุกต้องท่านทุกมาไดแปลแางายใใสของตัวให้มันดีดีเสมันเป็นตัได้ไมเหมนสีรงปได้มอนกัเป็นบเป็นเหื่เหรอมกนรับแปลแฝหาปลู เอาคือกอนนาดใหนนี่นะหาเหลวมาใบครอวินายใจเพ่งเสือึงก็ย่อเหดหู่มมาทม่ให้ไปเจ้าสั่งมขนาดาระวังเห็นนอันไดเึให้แล้วก็คือไปปฏิบัติเสสลนี่ชีวิตอพระโอบ่ได้บ่เห็นบ่นบ่ ส่งมตายเอาตั้งขณะนั้นคิดใจยังไงเกิดท่านาท่าโมกิเหยียดยื่นแข้งเต่าทำละสาสีเหน็ดันหัวเอาวิชาปลาท่าตกออกไปจากคระัทของตัวเองเกิดอาสาละเข้มใจผลจิเมิดผลอาสาะทั้งหลาย ห้ากุญแจจัยาอันาหนหลายตัวนะที่ห้ากุญแจแม่ง่ายๆขนาดไบต่้งเนานาดใบใดหน้าขนาดไบให้เรามีตั้งเน่าตายน่าเลยแล้วคนคิดเมื่อกี่คอยเมื่อกี่เมื่อก็จะเกิดมาเป็นเมื่อกี่เมื่อก็จะยิ่งดีไม่ทำหนักทำง้อเมื่อกี่เมื่อก็จะยู่งดีไท่ทันถึงเทวันแม่แต้เวลมันอกี่มา่อกู เหรอไหมไปมาโยกันไเวลาใสได้แตงเงินดีเงี่ยนส่สพื่อเือนิ่งเนี่ยจะเพื่อปานยใสมองไปเห็นอะไรดีเยี่ยเศษขินเสียงท as well as ่านเห็นไหมใส่นักเรื่องไส่ใส่เพื IL ่อนิ่งนไหมจางยุกมองไปขวาจับนู่นตเติมเข้าไปอีกทีนี้ยังขาดจบหมดห ดูการสั่งความดีใส่ใจใสใจของตัวจะเกลียหรอครับยิ่ัญหาแม่งมึงี่ม่พ่อหรอกแังมีวันจอวันจินให้แล้ว่อเอีงพ่อว่ากั่ากก็นหอแม่งแบบนี้ยิ่กรัดจิตมาใสยกัน ใจมันคือท่าใจนันแต่ว่าอยากเยอะมีความอยากทองใจติดค้มหาทองใจอย่างนี้อย่างนี้ข้อคณะสาบันกันเกี่สอนพระเจ้ากลัขยะโลกของยูจินิันะยะโดยเฉพางอิ่มจนขาดทางปัญหาไม่ผ่องด้วยตลอดด้วยาง แต่ในทางโลก ม, ม, ม, มันยันมีวันฝนูกยืนดดเด่นเป็นสีนส ข, ข, า, สส ข, ขาวของข้ออยากเรื่องธรามะธรรมะมันเป็นยังไงมีวันยืนมั่นตอนเชื่องวันพ่อเป็นสงสารแต่พึ่งใครชอขใค่โวว่ยึดใจของตัวเป็นก้อยขี้ความพ่อของใจละ่ะมันจะเสกมันยุ่เหย คุกมันกดาวกเปิดเงินตายต่อไปแบบนี้ทำดีก้นเย็นคุกสัมไปเลยละตแต่งไปคลดีมันไปจึงไม่อยากใจรำดาทำแต่เหตุคือเฮ้าสั่งคือเฮาทำตัวเอียนคุตัวเอียนเหยีไป อย่างของใจกสอบไม่ต้องว่ได้อันไหน่เรยหญ่แน่ไ่เห็นความสงบัสบายาิของใจหาุรับ่เสี้ยอย่างนี้เกิดปัญหาของใจจิเสียท่านพองเ้าอ๋อแล้ว็ มันดีมันเดินโอ้โหพอเห็นโดยดีพอเด่นมันตายหมดมันตายไปสักที่ม <br> ันติดใจแน่าส่เลยนียใส่สิเจ็ดสิบสดาวหรือการภาวนาการหัท่านการรักษาสีนี้้อแรกเบี๋ยวนี้เดอยว้งน่การภาวนาเ่าก็บั้าแต่หันท่านจะท่านใดจะท่นเป็นด้านใ มันเปลีนั่นไปให้บวชสอนห้บวชฟื้นห้าวชจะได้ฟื้นธรรมะข้าใจเรอย่างฝกฝนมล้มมุ่งไดูแข่งดูกันตางประเทตางแดนที่เลนไม่หา จะแพ้าห้ฮะสบายใจแต่ศึกษาอัธมสอกายท่านใจของเขาจะไม่ข้นนด่อย่ากเกนจนข้นตีข้นดินรับต้นดับเขาเบิดเบื่คเบื่ลุ่งเบ่หลงจนเกินเหตุเกินผลเขาหลงจนกบเข่าก็บยวเว ก็วัดก็ว่ารับศาสนาเกิดอหน้าเห็นพ้าเจ้าพะสงฆ์แต่จะมเมื่อหูเงื่อตาเป็นฝุ่นล้ววิสัยอันใดคุณเห็นไหมคุณกัก็ตบตอกตัววัวว่าใดอันใดก็ตบดอกออกเกี้ยวฟ้า่อเมื่อว่างคงยิ่งใหยุ่งใจเขมาเอาไปทาเรื่องทำยังทำเหื่อง้าเป็นประโยชน์้อั นอ่เข้านั่งเดียวกันอากันสอนใจตีนเต้นวัดเขาว่าเห็นเขามหมนี่ก็สื่อใจคื้ยนจรับใจนั่งใจหล่นใจเคลื่อนหมายถึง่าดูมินิข้าวคนเทยนาลับนาว่านัองคุยตันหล่นเดียวเห็นทำซ้อน ยกก้นดีอันใดแต่หน้ารับชุบกายชุบใจมันโบราากคือ่าว่าักกนใจย่างนี้ฮะคุน่นดีต่างเดินไปก้มเล้าห้าเดนนี่อ้ยนั่นไปเดไปขายเนื้อขายนต์สินคุณเดียวกันกับหน้าไปเวทตะเคี เพราะว่า okay. ต้นไถ่เม่อไถ่เท่ั้นอาารยว่ารักษาสารเสด็จยาแต่ใส่สิ่งทุกอยรางไแล้วมันจเป็นไปเปลียนไปเยอจะเป็นไปทําไปสุดไปขึ้นแเขาเห็นว่าใช่ไห่เดี๋ยวเรารับขันยา เามตาเขาก็อามั้ยหัวเขาก็อมัตาเขาก็เห็นหืวเขาก็ได้เห็นใจเขเอามั้ยสมุดพิจารมันดีตัวพิถูกดังไงโหรเวนคนเขาไม่มีหัวใจก็ามีหัวใจสารศึกษาดัดทั้งโลกเขาก็ยศึกษาไหมว่าตัวพีจารณาสาศึกษาใจดั เนมหาเวรมันสีดีอกดีใจแต่ละมาตะว่างหลายเพาะันสีขาวประเทธฉาบหัวดีฮะแตว่างเพรามันเหมอนคิดยากแล้วก็เกิดเหตเขาดมก็โซก็ดีเอาไปนีไปซ่อนแลจะออกมาอวดแขก เรเห็นเขาว่าดีเขาก็ทำี้ื่อกันคใจเื่อกันค้นเื่อกันตอนตัวเ่วลเอาละกบ้างเอละ